มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องนารีผลประพันธ์โดยสุทธิสาอ่อนค้อมบทที่หนึ่งวัดป่ามะม่วง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 จะตามมาเป็นลูกศิษย์ที่วัดป่ามะม่วงเพราะที่วัดพรมบุรีนั้นเมื่อไม่มีพระเจริญเสียองค์เดียวการสอนกรรมฐานก็เป็นอันต้องยุติสำหรับสามเณรทองดีผู้ซึ่งเคยได้ไปเล่าเรียนมาพร้อมกับพระนุมที่สำนักวัดมห า, าธาตุแนละจบหลักสูตรก่อนแต่ท่านไม่มีความสามารถในการสอนญาติโยมอีกประการหนึ่งเพราะท่านอายุยังน้อยและเป็นเพียงสามเณรญาติโยมจึงไม่ศรัทธาภาาทะา มิหนำซ้ำํายังแอบค่อนขอดรับหลังว่าท่านเป็นเด็กเมื่อวันซืนไม่สมควรที่จะมาสั่งสอนคนเฒ่าคนแก่ผู้ซึ่งเห็นโลกมานานมีประสบการณ์มามากเรือโดยสารมาจอดเทียบท่าน้ําวัดป่ามะม่วงเมื่อเวลาบ่ายสองโมงสินาทีมัศคนายกและชาวบ้านมารอรับประมาณยีสิคนแต่พวกญาติโยมที่มาส่งมีจํานวนเกือบร้อยทั้งที่เรือบรรทุกได้ลําละสาสิคน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 โยมคนหนึ่งพูดขึ้นพระเจริญจึงถามนางว่าโยมชื่ออะไรละจ๊ะวันหลังจะได้ทักทายกันถูกอีชั้นชื่อโยมโถเจ้าค่ะเกิดที่บ้านแป้งนี่เองยังไงอีชั้นก็ขอประวารณาว่าจะรับใช้ท่านหากมีอะไรก็เรียกใช้ได้เลยจ้ะบ้านอีชั้นอยู่ใต้วัดไปนิดเดียวเองนางชี้มือไปทางทิศใต้ซึ่งมีบ้านเรือนตั้งอยู่ประราย ขอบใจโยมมากถ้าญาติโยมให้กําลังใจกันอย่างนี้อัตมาก็ค่อยเบาใจที่วัดนี้มีพระกี่รูปเลยโยมประโยคหลังท่านถามมรคนายก2รูปครับท่านมีหลวงตาอ้อนกับหลวงตาเฟื่องหลวงตาอ้อนอายุพรรษาห้ส่วนหลวงตาเฟื่องเพิ่งจะบวชได้พรรษาเดียวเมื่อก่อนเป็นยาสิบตารวจพอกเกษียณก็มาบวชท่านเลยได้เป็นหลวงตาเพราะอายุมาก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 แต่ก็ไม่มาสักรูปเดียวดูมีรับลมคมในอย่างไรชอบกลแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็จะไม่ทอดทิ้งท่านอาจารย์จะหมั่นไปมาหาสู่ดูแลสาระทุกสุขดีบของท่านพระอย่างท่านอาจารย์ใช่จะหาได้ง่า ย, ายเมื่อไรกันจริงนังที่ญาติโยมคิดไว้เพราะเมื่ออาคันตุกะร่วมร้อยพากันลากลับมัคคณายกก็พูดขึ้นต่อหน้าชาวบ้านผู้เป็นคนท้องถิ่นนั้นว่า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 เพราะท่านก็บวชมาตั้งห้าสิพรรษาแล้วมัคคณายกออกความเห็นไม่มีผู้ใดล่วงรู้ความจริงว่าที่พระเจริญได้รับเลือกให้มารักษาการเจ้าอาวาสที่วัดนี้เพราะพระเทพสิทธินายกหรือมหาห้องเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้จัดการเรื่องทั้งหมดท่านต้องการให้พระหนมผู้ซึ่งหลวงพ่อเดิมอาจารย์ของท่านฝากฝังไว้ได้มีโอกาสที่จะแสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ การเป็นพระลูกวัดเสียเปรียบตรงที่มักถูกสมภารเจ้าวัดเมรหากทำอะไรเกินหน้าเกินตาตนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ได้ติดตามข่าวคราวความึกเลื่อนไหวของพระเจริญมาโดยตลอดท่านแน่ใจแล้วว่าพระหนุ่มรูปนี้เป็นพระแท้และจะจันลงพระศาสนาให้วัฒนาสทาวรสืบไปจึงตั้งใจสนับสนุนอย่างเต็มที่พระเจริญเองก็ไม่ทราบเรื่องนี้ แม้หลวงพ่อชอผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดพรหมบุรีก็หาทราบไม่หลวงตา อ, อ้นท่านเก่งทางไหนหรือญาติโยมจึงศรัทธาอยากให้ท่านได้เป็นสมภารพระหนุ่มถามด้วยใจเป็นกลางปราศจากอคติใดๆเก่งทั้งไหวหวยครับเขาว่าท่านให้เลขเด็ดทําให้คนรวยมามากต่อมากแต่สําหรับผมผมไม่ศรัทธาพระแบบนี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนถ้าจะพูดให้แรงกว่านี้คือ ท่านทำผิดพระวินยัยเพราะพระดีไม่ได้อยู่ที่ให้หวยแม่นแต่อยู่ที่การเจริญศีลสมาธิปัญญาผมว่านอกจากตัวท่านจะทำผิดพระวินัยแล้วยังทำให้ญาติโยมเข้าใจพระาศาสนาอย่างผิดผิดอีกด้วยมักนายกระบายความในใจอิชันเห็นด้วยอย่างยิ่งเจ้าค่ะอิชันเองถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่เคยคิดจะไปขอแลกเด็ดจากพระอิชันไม่ต้องการร่ำรวยด้วยการทำบาปเจ้าค่ะ นางโถ ร, รีบสนับสนุนอ๋โยมโถก็ไม่ชอบพระใบ้หัวยหรือพระหนุ่มถามยิ้มยิ้มรู้สึกถูกชะตากับโยมผู้นี้ด้วยว่าอายุอานามคงจะรุ่นราวคราวเดียวกับโยมมารดาของท่านพวกเราที่มาต้อนรับท่านก็คือพวกที่ไม่อยากให้หลวงตาอ้อนเป็นสมพาน์ครับแต่พวกหลวงตาอ้อนมีมากกว่าสักสิบเท่าเห็นจะได้ถึงอย่างไรพวกเราก็จะอยู่เคียงข้างท่าน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 นายม่วงบอกชื่อพร้อมเล่าประวัติความเป็นมาเสร็จสับโดยไม่ต้องให้ถามอัตมาอยากทราบความเป็นไปของคนบ้านนี้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างจะได้วางตัวให้ถูกโยมพอจะบอกได้ไหมท่านถามนายม่วงส่วนใหญ่ชอบเล่นการพนันและไม่ชอบเข้าวัดครับผมหมายถึงว่าเข้าวัดมาทำบุญถือศีลนะ่ะเขาไม่ชอบแต่ชอบเข้าโบสครับเข้ามานั่งวิปัสสนาหรือ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 อีชั้นเห็นแล้วสังเวชใจเหลือเกินทําไมพวกเขาถึงไม่กลัวตกนรกกันก็ไม่รู้โยมที่นั่งติดกับนางโถพูดเชิงบนแล้วสมภารองค์กรท่านไม่ว่าหรือพระนมถามท่านก็เคยไปว่าเหมือนกันแต่พวกเขาไม่เชื่อฟังแถมยังขู่ท่านเสอีกว่าถ้าไม่อยากอายุสั้นก็อย่ามายุ่งกับพวกเขาสมภารท่านเลยกลัวไม่กล้าไปว่าอีกมัรคนายกตอบ เขาไม่กลัวพวกชาวบ้านว่าเอาหรือก็ขนาดสมพานแท้ๆพวกเขายังไม่กลัวไม่เกรงนับประษาอะไรกับพวกชาวบ้านคนนั่งติดกับนางโถพูดขึ้นจริงอย่างที่ที่แม่แต้มก็พูดนั่นแหละขนาดผัวแม่แต้มเป็นกำนันพวกเขายังไม่กลัวเลยเจ้าค่ะนางโถช่วยเสริมพระเจริญจึงรู้ว่าโยมคนนี้ชื่อแต้มมีสามีเป็นกำนันแล้ววันนี้โยมกำนันไม่มาด้วยหรือ ท่านถามนางแต้มเขาตายไปแล้วจะท่านตายมาได้สองปีแล้วนางตอบหน้าสลดลงเมื่อพูดถึงสามีเป็นอะไรตายละ่ะตกระาดจ้ะแต่ก็ไม่ได้ตายทันทีคือแกนอนป่วยอยู่สามเดือนจึงตายนางปิดบางความจริงบางอย่างไว้ความจริงที่ว่ากำนันเขียวไม่ได้ตกบันไดลงมาเองหากถูกเมียผลักด้วยเท้าตกลงมา จากนั้นก็ป่วยกระสอบกระแสะและถึงแก่กรรมในที่สุดพระเจริญเห็นหนางแต้มหน้าจ่อยลงไปจึงพูดขึ้นว่าเอาละก็ทักทายปราัยกันพอหอมปากหอมคอแล้วอัตมาจะขอให้ช่วยพาไปส่งที่กุฏิสักหน่อยหลังจากนั้นก็จะไปกราบหลวงตาอ้อนส่วนหลวงตาเฟื่องคงไม่ต้องไปกราบเพราะท่านอายุพรรษาน้อยกว่าอัตมาแต่ถึงท่านจะไปก็ไม่พบหรอกครับเพราะท่านไม่เคยอยู่วัด มัคนายกรายงานซึ่งก็เท่ากับฟ้องไกลๆท่านไปอยู่ไหนล่ะเป็นพระไม่อยู่วัดแล้วจะไปอยู่ที่ไหนพระหนุ่มถามอยู่บ้านครับท่านกลับบ้านทุกวันพอฉันเพลินเสร็จก็ขนผลละมารากไม้ของวัดไปให้ลูกหลานกินทําอย่างนี้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆผมละห่วงท่านเหลือเกินกลัวว่าตายลงท่านจะต้องไปเกิดเป็นเปรตขโมยของสงฆ์นี่ต้องเกิดเป็นเปรตใช่ไหมครับ เขาถามสมพานอง์ใหม่ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเอาละเมื่อคุ้นกันแล้วอัตมาจะเป็นคนตักเตือนท่านเองตอนนี้ช่วยพาอัตมาไปส่งกุตินยเถอะมักคนายกแะญาติโยมจึงช่วยกันขนเครื่องอัฐบริขารของท่านไปยังกุติซึ่งอยู่ห่างจากศาลาการประเรียนไปทางทิศใต้ประมาณ20สิบวากุติหลังนั้นทั้งเก่าทั้งรกรงรงัง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 เพิ่งเสียเมื่อสองปีมานี้โยมยายอายุยืนตอนตายอายุเก้าสิบเก้าขาดอีกไม่กี่วันก็จะครบร้อยแล้วหลงไหมเจ้าคะนางแต้มถามไม่หลงเลยเจ้าโยมสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดีเหลือเกินตอนจะสิ้นใจก็ให้ศีลให้พร ล, ลูกหลานแล้วก็บอกลาจากนั้นก็หลับไปเฉยๆภิกษุหนุ่มเล่า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 ยึดมั่นในชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์นยโยมนะท่านถือโอกาสฝากฝังสองชั่วโมงต่อมากุติสมพันธ์ที่เคยรกรุงรังก็กลับสะอาดสะอ้านดูงามตาพระเจริญอนุโมทนาในกุศลจิตของญาติโยมที่มาช่วยแล้วถามขึ้นว่า แถวนี้มีน้ำแข็งใส่น้ำหวานขายไหมมีครับเหนือวัดไปหน่อยมีร้านน้ำแข็งมีขนมด้วยประเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาถวายนม่วงขันอาสาอัตมาไม่ฉันหลอกแต่อยากจะเลี้ยงญาติโยมโยมช่วยไปซื้อมาสู่กันกินหน่อยนะท่านหลวงปัจจัยออกมาจากย่ามส่งให้ในม่วงไม่เป็นไรเจ้าค่ะพูดอีฉันไม่อยากรบกวนท่านแค่นี้ก็อิ่มบุญไปตามๆกันแล้ว นางแต้มคานด้วยรู้สึกเกรงใจสมพันธ์องค์ใหม่ไม่ได้หรอกโยมอาตมาไม่ชอบเอาเปรียบใครขอให้อาตมาได้ตอบแทนบ้างแม้มันจะน้อยนิดเมื่อเทียบกับน้ำใจของญาติโยมอาตมาขออนุญาตนะถ้าเช่นนั้นก็ตามแต่ท่านจะกรุณาเถิดเจ้าค่าโยมผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเพื่อนว่าหล่อ น, นึกอยากกินน้ำแข็งใส่น้ำหวานเพื่อดับกระหายนายม่วงจึงเดินไปซื้อ สักครู่ก็ถือถาดมาคนระบยกับเด็กหนุ่มลูกเจ้าของร้านในถาดมีแก้วน้ําแข็งส ใ, ใสใสน้ําหวานบรรจุถาดละสิแก้วซึ่งเมื่อแจกจ่ายแล้วครบคนพอดีได้กินน้ําแข็งแก้กระหายกันแล้วบรรดาญาติโยมก็ลาสมพาน์กลับบ้านเรือนตนเพราะเจริญจัดการส่งน้ำและนุ่งห่มอย่างเรียบร้อยแล้วจึงออกสารวจรอบๆวัดคิดว่าค่าๆจึงจะไปกราบหลวงตาอ้อน ท่านเดินสำรวจไปเรื่อยๆกระทั่งมายืนอยู่หน้าเสราเรรเบียงพระวิหารที่เสามีตัวอักษรเขียนเป็นโครงสี่สุภาพความว่าชยโยอาวาดนี้เจ้าพระยารัตนบดินทราเสกสร้างเป็นที่สมุหานายกยดยิ่งใหญ่แห่ฉลองบาทพระเจ้าช้างเผื่อผู้ทรงทัน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 หลังพิงข้างฝาขาเหยียดตรงไปข้างหน้าตามสบายพระหนุ่มรู้สึกอึดอัดที่อีกฝ่ายไม่ยอมพูดจาด้วยในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าหลวงตาจะไม่กล่าวต้อนรับกระผมสักสองสาคำหรือครับหลวงตาวัยเจ็สิเศษพูดหุนหุนว่าข้าไม่มีอะไรจะกล่าวเสร็จธุระของแกแล้วก็กลับไปได้ภิกษุหนุ่มถูกไล่ทางอ้อมดังนั้น ท่านถึงก้มลงกราบอีกสามครั้งแล้วจึงลุกออกมาขณะเดินกลับกุฏิท่านนึกในใจว่าสงสัยจะต้องใช้คาถาการณียเมตสูตรของพระพุทธเจ้าอีกแล้วยวมยายจ๋าอยู่ที่ไหนโปรดช่วยพระหลานชายด้วยเถิดจ้า